คุณลักษณะพิเศษแห่งพระพุทธศาสนาหัวข้อหลักที่สามธรรมาทิปไตถือความถูกต้องเป็นใหญ่พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่สอนให้ถือธรรมหรือธรรมะคือความถูกต้องตามเหตุผลเป็นประมาณที่เรียกว่าธรรมาธิปไตไม่สอนให้ถือตอนเองเป็นใหญ่หลักคำสอนเรื่องผู้เห็นธรรม ชื่อว่าเห็นพระพุทธเจ้าคำสอนเรื่องอามิสบูชาและปฏิบัติบูชาและการตั้งพระธรรมวินัยไว้เป็นพระศาสดาแทนพระองค์ของพระพุทธเจ้าก็เป็นการสอนแบบธรรมาทิปไตนี้หลักการข้อนี้ของพระพุทธศาสนาเป็นหลักกว้างขวางครอบคลุมถึงคุณงามความดีอื่นๆ อ, อีกหลายอย่างที่ถือกันว่าทันสมัยและสูงในคุณค่า รวมทั้งหลักเรื่องการทำความดีเพราะเห็นแก่ความดีผู้เขียนขออนเชิญพระนิพนธ์ของสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณ น, นวรโรรศมาตั้งเป็นประธานในบทนี้เพราะรู้สึกเป็นหนี้บุญคุณของพระองค์ท่านในเมื่อได้อ่านแล้วรู้สึกจับใจทำให้พยายามค้นคว้าเฉพาะในข้อนี้เป็นพิเศษมาตั้งแต่ในสมัยที่ยังเล่าเรียนพระปริยติธรรมอยู่ พระนิพพานเรื่องนี้ของสมเด็จพระมหาสมนาเจ้าพระองค์นั้นมีพิมพ์ไว้ในที่หลายแห่งในที่นี้จะขออ้างหนังสือพุทธคุณกถาฉบับหอสมุดวชิระยานพิมพ์พุทธศักราชส4 7 3เจ็สิบสามหน้าห้าสิบเอ็ดดังนี้อันหนึ่งเนื่องด้วยการถือชาติคือความเกิดหรือกำเนิดคนทั้งหลายย่อมมีปกติเห็นแก่ตัวจะทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง แม้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นตัวต้องได้ประโยชน์ด้วยจึงจะทำอัธยาศัยนี้ติดมาในสันดานแม้แห่งคนถือพระพุทธศาสนาทำบุญให้ทานอย่างปรารถนาจะได้สมบัติอย่างนั้นอย่างนี้สมเด็จพระบรมศาสดาทรงชักให้ละความเห็นแก่ตัวและให้ตั้งใจทำมุ่งความสมควรเป็นใหญ่ทรงติการทำด้วยอัตตาทิปไตยยกตนเป็นใหญ่ และโลกาธิปไตยเพ่งโลกเป็นใหญ่และทรงสรรเสริญธรรมมาธิปไตยมุ่งธรรมคือธรรมะเป็นใหญ่ข้อธรรมเรื่องอธิปไตยสามนี้มีปรากฏในพระสุตตันตปิฎกพระไตรปิฎกเล่มย0สบหน้าหนึ่งหเล่ม 11, อหน้า2อ1และในวิสุทธิมรรคสิรานิเทศหน้าส6หเป็นแต่ไม่มีข้อทิ่ติอัตตาธิปไตย หรือโลกาธิปไตยไว้โดยตรงหากชี้ให้เห็นความดีกว่ากันอยู่ในตัวของอธิปไตยทั้งสข้อนี้แต่พระพุทธภาษิตที่ยกธรรมมาธิปไตยโดยตรงมีอยู่คือในพระสุตตันตปิฎกปิฎกเล่มย0บหน้า138ทรงสแสดงคุณธรรมของพระเจ้าจักรพรรดิเทียบเขียนกับคุณธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าเป็นผู้ถือธรรมเป็นใหญ่ บาลีว่าธรรมมาทิปเตยะแปลงเป็นไทยว่าธรรมมาทิปไตซึ่งประกาศความที่พระพุทธศาสนายกย่องธรรมมาทิปไตเป็นเลิศ